เวลาหลังก็ทําใจไม่ได้เพราะทําใจไม่ได้เลิกทําบุญอีกก็มีก็ถือว่าโอ้ยเจอหลอกมาครั้งเดียวก็เกินพออะไรเข้างั้นมันก่อนโยมก็มาเล่าให้ฟังรู้พระจากไหนไม่รู้โอ้แบบคุยไปคุยมาเนี่ยถามโยมมีตังเท่าไหร่เอาไปเอามาอาตมาอยากจะทำอันเนี้ยโยมจะให้เท่าไหร่บอกกนนะก็เรียบเคียงถามแล้วก็มาเล่าบอกโอ้ยขอมาไม่รู้หรอโยมคุยอะไรก็ไม่รู้เอาไปถามท่านรูปนั้นดิว่าท่านถามเพราะอะไรท่านถามทําไมเพราะมาเห็นรู้เรื่องเลย มันนั่งคุยอยู่ตั้งแต่เช้าจนยันฉันเพ ล, ลนเราเนาะมันก็กลุ่มที่ที่ลักษณะนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเราก็ต้องศึกษาให้ดีๆไม่งั้นเราก็รักษาศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่ได้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะก็มีคนที่เรียกว่าปลอมแปลงปลอมตัวนะก็ทุกๆวงการอยู่แล้วนะก็ไม่ใช่ว่าพระศาสนาเนี่ย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 เรียกว่าหลอกลวงโดยการใช้อิริยาบถหรือแสดงละครแบบอิริยาบถว่าไงพิสูจน์บางรูปในศาสนานี้มีความปรารถนาลามกคือว่าใจจริงเนี่ยเป็นบาปอันความปรารถนาครอบงาแต่ประสงค์จะให้เขาสันเสริญอยากได้คำชมมากเนี่ยนะก็เลยคิดว่าประชุมชนจะสันเสริญเราโดยอิริยาบถอย่างนี้จึงสำรวมเดินไอที่เดินเนี่ย การเดินสัมรวมเนี่ยเป็นความดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญแต่นี่จัดสัมรวมเดินเอาคำชมไม่ได้เอาสีขาะ น, นะก็เราว่าต้องการเสียงสรรเสริญยกย่องก็เลยสัมรวมยืนสัมรวมนั่งสัมรวมนอนมุ่งเดินยืนนั่งนอนเดินเหมือนคนมีสมาธิว่างั้นนะนั่งเหมือนคนมีสมาธินอนก็นอนเหมือนคนมีสมาธิทำกิริยามเหมือนคนมีสมาธิทั้งทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่ เรียกว่าทําเป็นเหมือนเจริญฌานต่อหน้าพวกมนุษย์มานะเรียกว่าต่อหน้าเรียกว่านักสแสวงบุญทั้งหลายเนี่ยโอ้ยเหมือนนั่งเข้าฌานกันหมดเลยเรียกว่าพอพ้นหน้านักสแสวงบุญทั้งหลายก็ปกติภาวะว่างั้นคือเรียกว่าไม่ไม่ปกตินะเรียกว่าเป็นคนที่อะไรนะอีกเหมือนกับถายทําภาพยนตร์แสดงละครอะไรลักษณะนั้นนะเรียกว่ามีเข้าฉากมีออกฉากเป็นต้นนะั่นแะ พวกนี้ก็จะเริ่มตั้งตั้งสําเร็จอิริยาบถความเป็นผู้น่าสยิวความโกหกกิริยาโกหกความเป็นผู้โกหกก็คือหลอกลวงอ่ะนะวัตถุแห่งความหลอกลวงในส่วนของอิริยาบถนะแสดงตัวในแง่ของอิริยาบถส่วนวัตถุแห่งความโกหกหลอกลวงในส่วนแห่งพูดอิงทรรมเนี่ยนะโกหกหลอกลวงด้วยใช้คําพูดเนี่ยอิงอัดอิงทำเขาบอกงั้นเป็นอย่างไรบอกภิกษุในภิกษุบางรูปในศาสนานี้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 บางทีก็พูดเรียบเคียงไปถึงกุฏิพูดถึงวัดด้วยนะว่าสมณนาที่อยู่ในวิหารเห็นปานนี้มีอนุภาพมากหรือว่าเอาแบบหลังคาก็ได้อิงหลังคาหลังคาแถบเดียวมุงข้างเดียวหรือเรือนโลนในถ้ำหรืออ่อโต้ถ้าอยู่ถ้ำนะพิเศษองค์ไหนอยู่ถ้ำได้มีเยี่ยมที่จริงกับตัวนั่นนะอยู่ถ้ำกุฏิเห็นอย่างนี้กุฏิลักษณะนี้ก็กุฏิของตัวนั่นแนะ หรือเรือนยอดเห็นปานนี้อยู่ต้อมอยู่โรงอยู่ที่พักเห็นปานนี้อยู่โรงชันอย่างนี้อยู่มนดบอยู่โคนไม้เห็นปานนี้มีอนุภาพมากอันหนึ่งภิกษุเป็นผู้ก้มหน้ากว่าคนที่ก้มหน้ามันเกินไปอะคำว่าเงนินโยมก็มาบ่นให้ฟังที่ตลาดแห่งหนึ่งมีรูปหนึ่งนะไอตอนขาเดินมาจากวัดท่านก็ปกติอยู่พอจะเริ่มรับบิณฑบาตนี่ก็เริ่มโอ้โหพิเศษขึ้นมาแล้วมันน่าเกลียดมากคำว่าเงนินเอาไปทําอะไร ก็เราไม่ได้บวชเหมือนท่านนก็ไปบวชที่เพราะว่าคนที่บวชมาเป็ลูกหลานเราได้ไปทําอะไรได้ก็ต้องคุยกับลูกกับหลานที่จะบวชให้มันดีลูกบวชทําไมลูกบวชยังไงไปอยู่ที่ไหนฉันอะไรลูกจะไปปฏิบัติยังไงก็คุยให้มันเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเข้ามาบวชพอบวชเข้ามาแล้วจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมเอาโยมจะไปว่าอะไรพระคำนั้นแล้วก็ได้แต่มาบ่นนอกสถานที่ท่านไม่รู้ด้วยหรอกว่าั้น มันก็กลายเป็นคนที่ก้มหน้ายิ่งกว่าคนหน้าทําหน้าสยิ้วคือว่าทำหน้าอ่าสยิวหน้าโกหกวัตถุคําว่าผู้โกหกว่าคนที่โกหกียกว่าคือว่าเป็นคนหลอกยิ่งกว่าคนหลอกคือว่าลวงยิ่งกว่าลวงเห่างนันอพูดมากยิ่งกว่าคนพูดมากผู้ที่คนอื่นสรรเสริญตามปากของคนแสดงว่าสร้างเรื่องขึ้นได้เนี่นะเป็นนักสร้างเรื่องสร้างสร้างสถานการณ์สร้างเหตุการณ์ขึ้นมาได้ และคําพูดก็ปฏิสังยุตด้วยโลกุตระพูดถึงแต่นิพานเช่นนั้นใช้ใครว่าใช้คําพูดที่ลึกซึ้งฟังแล้วลึกซึ้งหมายความว่าหน้าทําบุญมากเลยนะอยากจะทําบุญกับท่านเหลือเกินนะครับใช้คําที่ลึกซึ้งละเอียดที่วินอยู่ปิดบังเอาไว้บางทีเนี่ยก็เปิดเผยเกินไปทั้งที่ไม่มีอะไรจะเปิดว่าสมณะนี้ได้วิหารสมาบัตสงบปานนี้เยี่หน้าเป็นพูด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 ตรงนี้ถ้าเป็นในสุตตานิบาตท่านแปลว่าหลอกลวงใช่ไหมตรงนั้นก็บอกว่านิกโกหกเนี่ยนะโกห ก, กอะโกะโกหกก็มาจากคําว่ากกหกเนี่ยนะโกหกก็คือหลอกลวงนั่นแหละนิปปาศาเนี่ยนะนิปปาศาก็คือความอยากดื่มกระหะความกระหายความกระหายไม่มีในพระประเจกนั้นะนะะคือเป็นผู้ไม่มีความกระหายด้วยอํานาจตันหา บอกว่าตันหาอันเป็นเหตุให้กระหายนั้นพระประเจกผู้ท่เจ้านั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่เป็นที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงไม่มีความกระหายไม่มีความกระหายด้วยอํานาจของตันหานั่นเองส่วนอีกคําหนึ่งบอกว่าพระประเจกผู้ทธเจ้านั้นเป็นผู้ไม่ลบหลู่เนี่ยนะ ก็คือเนมมัคโหนี่นะลบลูลบหลูคืออะไรคือการยังคุณของคนอื่นให้เสื่อมเสียเป็นลักษณ ะ, ะการลบหลูในที่นี้หมายถึงว่าเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขามีคุณธรรมนะแล้วก็หยามเขาอ่ะนะนะเรียกว่าลบหลูทําลายคุณงามความดีของคนอื่นเช่ยคนอื่นเขามีคุณเช่นใดเช่นใดตัวเองก็ปกปิดคุณอันนั้นแล้วก็ บางทีเนี่ยเขาก็มีคุณงามความดีอยู่ในตัวตั้งมากมายมีข้อเสียอยู่นิดเดียวไปที่ไหนก็แง่เอาแต่ความเสียชั่วร้ายหล่านี่ยแหละไปโพลทนาเนี่ยนะไปโพลทนาจนจนเลยความเป็นจริงพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีการลบหลู่คุณอนะของพ่อครัวแม้กระทั่งในการที่ตนยังเป็นครือข่ายพระปเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถามว่าพระองค์ทํำยังไงกับกับพ่อครัวบ้างไหมในพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่ ความลบหลู่กิริยาที่ลบหลู่ความเป็นผู้ลบหลู่ลบหลู่อีกคำหนึ่งก็คือลักษณะของอริษยานั่นแหละลบหลู่อริษยาสนี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเพราะพระพระปเจกับพุรธเจ้านั้นไม่มีความลบหลู่ส่วนอีกคำหนึ่งก็คือนิทันตะกสาว่โมโหทำหกอย่างคือราคะโทสะและโมหะหรืออีกสอย่างก็คือกายทูตเจริตวจัจจิทุจริญมโนโทูจริญเรียกว่าน้ําฝาด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 อย่างที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะหอย่างเรียกว่ากสาวะิสมอย่างเป็นฉะไหนกสาวะคือราคากะกสาวะน้ำฝาดคือราคะน้ำฝาดคือโทสะน้ำฝาดคือโ mm ม hmm. หะเรีกในหนึ่งก็น้ำฝาดคือความชั่วทางกายความน้ำฝาดคือความชั่วทางวาจาหรือว่าน้ำฝาดคือความชั่วทางใจเนีาา่ยนะก็โลภะโทสะโมหะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทั้ง6ประการเรียกว่า กสาวะเรียกว่าน้ำฝาดน้ำฝาดที่ชื่อว่าโมหะนี่เหมือนกับน้ำฝาดอันกระจัดเสียแล้วเพราะโมหะอันเป็นมูลรากแห่งกษาวะห้าที่จริงความชั่วราคาเกิดขึ้นเนี่ยก็มีโมหะเป็นรากโทสะเกิดขึ้นก็มีโมหะหนั่นแหละเป็นรากความชั่วทางกายก็มีโมหะหนั่นแหละเป็นรากความชั่วทางวาจาก็มีโมหะเป็นรากความชั่วทางความคิดจิตใจชั่วๆก็มี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 หรือไม่ก็พวกอะไรนะลูกลูกจันไะงลูกจันดิบดิบอะ่ะเม็ดเล็กๆอ่ะนะพิกุลดิบก็ได้อ่ะไม่ใช่พิกุลสุกเนี่ยเคี้ยวดูเธอเนี่ยจะรู้เลยนะแบบฝรั่งดิบดิบอ่ะนะฝรั่งเล็กเก็ดิบดิบเนี่ยเคี้ยวไปเถอะใบฝรั่งก็ได้อะ่ะพวกนี้ฝาดทั้งนั้นเลยนะฉันใดน้าย้อมกอ็ใจที่ถูกยอมด้วยของฝาดก็ฉันนั้น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 น้ำฝาดเนี่ยนะน้ำฝาดก็เป็นของที่มีพิษหรืออวิชาก็เรียกว่าน้ำฝาดเหมือนกันก็แสดงว่ามาดูนะว่าชักจะฝาดกันทั่วไปหมดแล้วนะถูกย้อมเลยน้ำฝาดทั่วไปหมดเช่นความไม่รู้ในทุกข์ก็เป็นน้ำฝาดถูกย้อมนี่ยแหละย้อมด้วยน้ำฝาดและความไม่รู้ในทุกข์สมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกข์นิโรทัคามินีปฏิปทา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 อย่างกระจกโมมัวเนี่ยนะหมายความว่ามันมัวข้างในทั้งหมดเลยเนี่ยถามว่าเช็ดยังไงให้มันใสแบบยากความเป็นพ า, นานลภาระแปลว่าเข่าเนี่ยนะเข่าก็คือไม่รู้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าคลักเขา่เขาจริงๆไม่รู้ทั่วพร้อมความหลงความหลงเสมอโมหะคืออวิชชาหรืออวิชชาคือโอค่โอคะคือห่วงน้ำห่วงน้ําคืออวิชชาเนี่ยหมามันไหลท่วมทับ พัดไปหมดแหละอวิชยาโยคะประกอบเอาไว้อวิชยาเป็นอนุสัยอนุสัยก็คือมีกําลังมากแล้วก็อวิชยาปริยุทธานคือความกลุ่มลมอวิชยาเป็นเหมือนตะข่ายดักเอาไว้อวิชยาเหมือนกับบ่วงบ่วงคล้องคอนั่นแหละโมหะแล้วก็เป็นรากเง่าของความชั่วสารพัดชนิดอันนี้เรียกว่าโมหะความลบลู่บาปประธรรมที่เหมือนกับรถฝาดและโมหะเหล่านั้นทั้งหมด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 นิราสโยคือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่มีตัณหาหรือนิราสโยตัวนั้นก็แปลว่า อ, อาสยะเนี่ยนะบางทีก็แปลว่าหวังพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่มีความหวังในโลกนะความหวังนั้นเป็นชื่อของอะไรราคาตัณหาราคาสราคา้าอภิชาโลภาอกุศลมูลทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าความหวังหวังด้วยอำนาจตัณหาความหวังไม่มีในโลกทั้งปวงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่มีความหวังในภพสามคือการมาภพรูปภพอรมูปภพ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 และโมหะอันคาจัดได้แล้วไม่มีความหวังในโลกทั้งปวงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอรเรเที่ยวไปด้วยอริยมตรตัสรุ ป, ปัจเจกภโธิยานแต่ผู้เดียวที่จริงถ้าแยกสับนะคําว่าเที่ยวไปนี้คือเป็นชื่อของอริยมตรตผู้เดียวเป็นชื่อของปัจเจกภโธิรู้เฉพาะตัวเนี่ยนะนอรเรก็อันนั้นก็เป็นข้ออุปมาว่างั้น